วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2565เป็นวันที่เราจะมาฟังเทศฟังธรรมกันมาศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นคำสอนที่จะนำพาให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย คำสอนของพระพุทธเจ้านี้มีมากมายที่บรรจุไว้ในพระไตรปิฎกก็มีอยู่ถึงแปดหมื่นสี่พันธรรมขันธ์แต่ความมากมายหลากหลายของพระธรรมคำสอนนี้มีสิ่งที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือทุกคำสอนนี้สอนเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งนั้น เปรียบเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็มีรสชาติเหมือนกันไว่าน้ำมาน้ํามหาสมุทรในชนบุรีหรือในภูเก็ตหรือในอเมริกามีรสชาติแบบเดียวกันคือความเค็มนั้นไดคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้มากมายนี้ ก็เป็นคําสอนที่มีจุดหมายเป้าหมายอันเดียวกันคือสอนให้ผู้ปฏิบัติตามได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแต่เนื่องจากคนฟังนี้มีหลายระดับหลายลักษณะด้วยกันมีความรู้ความสามารถที่จะน้อมนําเอาไปปฏิบัติได้ไม่เท่าเทียมกันคําสอนจึงต้องมีการปรับ ให้เหมาะกับผู้ฟังเพื่อที่ผู้ฟังจะได้น้อมนำเอาไปปฏิบัติและทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เช mm hmm. ่นครั้งแรกตอนที่ทรงแสดงพระธรรมพระธรรมาจากกับปวัตตนสุยทรงแสดงให้กับพระปัญจวัคคีผู้เป็นนัก บ, บวชผู้มีศีลที่บริสุทธิ mm ์ผ hmm. ู้มี สมาธิสมบูรณ์ขาดแต่ปัญญาพ่องจึงทรงสแสดงมรรคแปดทรงสแสดงอริยสัจสี่ว่าทุกข์เกิดจากปัญหาความอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็ต้องละความอยาก การจะราบความอยากได้ก็ต้องใช้มรที่มีองแป8 mm hmm. ก็ทรงสแสดงมรที่มีองแป8มีอะไรบ้าง mm hmm. เริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิ mm hmm. ความเห็นชอบต่อด้วยสัมมาสังกปรความดำริชอบหรือความคิดชอบแล้วก็ตามด้วยสัมมากรรมโตการกระทำชอบแล้วก็ตามด้วยสัมมาวาจา การพูดชอบตามด้วยสัมมาอาชิโมการมีอาชีพชอบตามด้วยสัมมาวายโมการมีความเพียรชอบตามด้วยสัมมาสติการมีสติและลึกรู้ที่ชอบและสัมมาสมาธิการมีสมาธิที่ชอบ <Yeah. S 1> นี่คือมรรคที่มีองค์แป mm hmm. ถ้าผูา้ใด มีครบบริบูรณ์ก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ต่อมาเวลาทรงแสดงธรรมบางครั้งก็ทรงย่อมารกแปดให้มันเล็กลงให้มันฟังง่ายขึ้นก็ทรงสอนเป็นศีลสมาธิปัญญาศีลนี่ก็เป็นส่วนประกอบของสัมมากัมมันโตสัมมาวาจา คือการกระทาที่ถูกต้องการพูดที่ถูกต้อง mm hmm. เช่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีสามาวาจาก็คือการไม่พูดปดแล้วก็ไม่ได้พูดถึงสามาชีวรในสิ่งแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งคือมีอาชีพชอบอาชีพที่ไม่เบียดเบียนชีวิตของผู้ไม่ทำร้ายชีวิตของผู้ เช่นไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเป็นอาชีพเลี้ยงชีพของตนไม่ไปยิงนกตกปลาอะไรทำนองนี้นี่คือศีลแล้วก็สมาธิก็ได้แก่สัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิองค์ประกอบของสมาธิต้องมีความเพียรที่จะเจริญสติเมื่อมีสติแล้วก็นั่งสมาธิทำใจให้สงบ ให้เข้าฌานให้ได้อุเบกขาอันนี้ก็เป็นส่วนของสมาธิและปัญญาก็คือสมาธิฏฐิสัมมาสังกร ป, ปรความเห็นชอบก็เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความทุกข์เกิดจากการประหยัดในสิ่งต่างๆที่ไม่เที่ยงให้มันเที่ยง อยากในสิ่งต่าง ๆ, ๆที่ไม่ใช่ของตนให้เป็นของตนเพอมันไม่เที่ยงพอมันไม่เป็นของตนก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็ต้องพิจารณาให้เห็นตัวทุกสิ่งทุกอย่าง<ม>เช่นลาบยศสรารเสริญสุข<ม>ร่างกายนี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่จะไปยึดไปถือว่าเป็นของเราไม่ได้วันหนึ่งมันก็จะละจากเราไป เวลามันจากเราไปนั่นก็ทำให้เราทุกข์ใจต้องมีการเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราแล้วเราจะได้คิดว่าต่อไปนี้เราจะไม่ยึดไม่ติดกับอะไรไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรให้มีความสุขจากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบก็พอเพราะความสุขที่ได้จากสมาธินี้ ดีกับความสุขที่ได้จากสิ่ ง, งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อันนี้ก็เรื่องของมาร์กรูปแบบหนึ่งคือศีลสมาธิปัญญาแล้วถ้าท่านสอนอีกกลุ่มหนึ่งสอนกลุ่มที่เป็นผู้ครองเรือนเป็นผู้เมื่อกี้นี้สอนพวกนักบวชพอสอนพวกที่เป็นผู้ครองเรือนก็สอนเพิ่มอีกกันหนึ่งสอนทานศีลภาวนา ทานก็คือให้เราสละเงินทองต่างๆที่เรามาซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายนี้ไปเพราะว่าการใช้เงินทองซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้กายนี้เป็นภัยเป็นโทษกับจิตใจเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจเพราะเป็นเหมือนซื้อยาเสพติดให้กับใจเสพต้องมีเสพอยู่เรื่อย เวลาใดไม่มีเงินก็จะทุกข์ก็ต้องไปดิ้นรนหาเงินหาทองว่าต้องทุกข์กับการหาเงินหาทองนี่ยิ่งให้เปลี่ยนวิธีหาความสุขแทนที่จะไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสให้ไปเอาไปทำบุญทำทานแทนเอาไปบริจาคช่วยเหลือคนอื่นที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนทำบุญกับพระพุทธศาสนาก็ได้ทาบุญกับวัด ทำบุญกับโรงพยาบาลทำบุญกับโรงเรียนทำบุญกับผู้ยากไร้ทำบุญกับสัตว์เดรัจฉานปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยอวัวปล่อยควายอะไรเหล่านี้มันก็ทําให้จิตใจมีความสุขและเป็นความสุขที่ไม่ติดเวลาไม่มีเงินที่จะทําบุญก็จะไม่เดือดร้อนขอให้เปลี่ยนวิธีหาความสุขด้วยการใช้เงินนี้ ให้เอามาใช้กับการทำบุญทาทานแทนเพื่อต่อไปจะได้ไม่ต้องอาศัยเงินทองเพราะเพราะว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมีเงินทองไปซื้อความสุขจากรูปเสียงกิ่นรสในต่างๆเพราะไม่ติดแล้วถ้าทำบุญอยู่เรื่อยๆต่อไปจะไม่ติดกับการเที่ยวกับการไปซื้อของแพงๆไปซื้อของหรูหรา ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสชนิดตา่างๆมาเสกก็จะทำให้มีเวลาที่จะได้ไปถือศีลไปปฏิบัติธรรมทำทานแล้วก็จะทำให้สามารถรักษาศีลได้ศีลห้าศีลแแล้วก็ไปภาวนาภาวนาก็คือการจเจริญสมาธิและปัญญานี้ก็แบบเดียวกับของพระของพระมีศีลสมาธิปัญญา ของโยมก็เพิ่มทานในการกินก่อน ท, ที่พระไม่ต้องทำทานก็เพราะว่าพระเวลาไปบวชก็ทำทานหมดแล้วเงินทองที่มีอยู่มากน้อยก็ยกให้คนอื่นไปไม่ให้ไม่เอาเงินติดตัวไปเวลาไปบวชเพราะไม่ต้องใช้เงินทองนักบวชไม่ต้องมีเงินมีทองนักบวชหาความสุขจากการทำใจให้สงบจากการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาแทน ดังถ้าเป็นคารวะผู้ครองเดือนยังไม่ได้เป็นนักบวชก็ต้องสอนให้สละเงินทองไปก่อนไม่ให้ครึ่งเงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขให้เปลี่ยนมาเป็นการหาความสุขจากการทำบุญทำทานจากการรักษาศีลจากการฝึกสมาธิกันแล้วพอฝึกสมาธิได้ผลดีมากขึ้นไปต่อไปก็อยากจะบวชอยากจะฝึกสมาธิให้มากขึ้น พความสุขที่ได้จากสมาธิเป็นความสุขที่ ท, ที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่ก็เป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์อีกแบบหนึ่งคือทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคที่ไม่องอแงอันนี้เหมือนกันเป็นทางไปสู่การหลุดพ้นเหมือนกัน ไปสู่พระนิพพานเหมือนกันต่างตรงที่ผู้ฟังนี้มีความสามารถความรู้สามารถมากน้อยไม่เท่ากันบางทีพระองค์ก็ทรงสอนแบบคำเดียวก็มีคือมีคนนึงอยากจะฟังวิธีหลุดพ้นว่าทำยังไงตอนนั้นไปถามตอนที่พระพุทธเจ้าทรงบิณฑบาตพระพุทธเจ้าบอกตอนนี้เราไม่มีเวลาที่จ ะ, สะแสดงธรรม อย่างละเอียดเขก็ขอร้องให้แสดงแบบแบบสั้นๆให้ฟังพระเจ้าก็เลยสอนว่าเวลาเห็นอะไรก็ให้สักแต่ว่าเห็นเวลาได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินเวลาสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสก็ให้สักแต่ว่ารู้เวลาคิดอะไรก็ให้สักแต่ว่ารู้ไปไม่ต้องทําอะไรให้มีอวเบกขาให้ปล่อยวางทุกอย่าง เขาก็ารู้ทำได้เขาก็หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะความทุกข์เกิดจากความยึดติดในสิ่งต่างๆที่เราสัมผัสรับรู้ได้เห็นรู้ก็อยากได้แต่ทําไม่อยากได้ก็ไม่อยากก็ไม่อยากกก็ไม่อยาต้องการไม่อยากเห็นก็เกิดเวลาเห็นอะไรจะเกิดความรักเกิดความชังขึ้นมามต้อ ง, งระงับความรักความชังให้ออกไปจากใจให้ได้ให้รู้เฉย ถ้ารู้เฉยๆได้จะไม่ทุกข์เวลาใครชมก็เฉยๆเวลาใครด่าก็เฉยๆมีค่าเท่ากันมีน้ำหนักเท่ากันเพราะมันเป็นเสียงเหมือนกันเสียงด่าก็เป็นเสียงเสียงชมก็เป็นเสียงแต่เราไปแยกแยะเอาคำชมคำดา่าว่าว่าเป็นสิ่งที่ดีไม่ดีขึ้นมามันก็เลยเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจ เวลาที่ได้ยินเสียงที่เราไม่ชอบขึ้นมาท่านเองแต่ความจริงมันก็เป็นเสียงนะอย่างเวลานกมันร้องเนี่ยเราก็เฉยๆได้เพราะเราไม่เข้าใจภาษามันแต่ถ้าเราเข้าใจภาษามันาอา จ, จะทุกข์ก็ได้เพราะมันอาจจะด่าเราก็ได้หรือมันอาจจะชมเราก็ได้แต่นี่เราไม่รู้ภาษามันเราก็เลยไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กับมัน นี่ก็วิธีสั้นๆ ส, สอนให้มีอุเบกขาให้ปล่อยวางเท่านั้นเองคนที่ฟังก็บรรธรทำได้เห็นแต่ละคนที่มีความสามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี้ต่างกันไปขึ้นอยู่กับบุญบารมีที่ได้สะสมมาในแต่ละภพแต่ลชาตินีมีมากน้อยต่างกันอย่างไร บุญบรารมีก็เป็นทางสู่การหลุดพ้นอีกทางหนึ่งด้วยกันบุญบรารมีนี้ก็มีอยู่สิบประการด้วยกันเช่นเมตตาบรารมีทานบรารมีสิ่งบรารมีเมมรื่องขมับารมีอุเบกขาบรารมีปัญญาบรารมีและ บ, บรารมีทั้งหกนี้ก็ต้องอาศัย อธิษฐานบารมีสัจจะบารมีวิริยะบารมีเนคขมะบารมีเป็นเครื่องมือสร้างขึ้นมา mm hmm. ก็เลยมีอยู่สิแบ่งเป็นสองส่ว hmm. นบารมีที่ต้องสร้างและบารมีที่เป็นเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการสร้าง mm hmm. บารมีที่เราต้องสร้างกันขั้นแรกก็คือเมตตาบารมี เมตตาบา ร, รมีคือความมีไมตรีจิตต่อสัตว์ประสาททั้งปวงรือมีความเป็นมิตรกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นหญิงเป็นชายเป็นอะไรให้ถือว่าเป็นมิตรไปหมดอย่าไปถือเขาเป็นศัตรูถึงแม้เขาจะคิดร้ายกับเราพูดร้ายกับเราถึงแม้เขาจะทำร้ายเราหรือยพยายามจะทำร้ายเราเราอย่าไปโกรธเคืองเขา เราอย่าไปเกลียดชังเขาเพราะการโกรธเคืองกเกลียดชังนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจแต่การไม่ถือโทษโกรธเคืองเขาการให้อภัยนี้จะทําให้เราไม่ทุกข์กับการกระทําของเขาเขาจะดีจะร้ายจะอะไรกับเราอย่างไรเราก็ไม่ไปโกรธเขาให้อภัยเขาการมีเมตตานี้พระเจ้าทรงแสดงไว้สี่ลักษณะด้วยกัน ลักษณะแรกก็คืออเวลาโหนตุสัตเปสัตตาอเวลาโหนตุจงอย่ามีเวรกันเถิดคือเราจะไม่จองเวรกันใครเขาโกรธใครเขาทำให้เราโกรธเคืองเราจะให้อภัยอเวลาโหนตุ a a u, ไม่ไม่จองเวรจองกรรมกันไม่เอาฟันต่อฟันตาต่อตาเอาความเมตตาให้เขาไปเขาร้ายกับเราเราเราดีกับเขาเราให้อภัยเขา ไม่จองเวรจองกรรมกันไม่ล้างแค้นไม่อาคาาพยาบาทเพราะความอาคาาพยาบาทความโกรธนี้เป็นภัยต่อจิตใจเป็นไฟนรกไฟที่จะสร้างความทุกข์ให้กับเราเวลาเราโกรธใครนแค้นใครนกินไม่ได้นอนไม่หลับเะเพราะว่ามันร้อนมันทาให้ใจเราร้อนไม่ได้ทำให้ใจเราเย็นพระพุทธเจ้าจถึงทรงสอนให้เรา ให้รู้จักให้อภัยเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นแล้วเขาพูดแล้วมันก็ผ่านไปแล้วเขาทำอะไรมันก็ผ่านไปแล้วไปจองเวรจองกรรมไปมีเรื่องมีราวก็ยิ่งกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาอเขาทำเราเรากลับไปทาเขาเขาจะกลับมาทำเราแรงขึ้นอีกเขาเขาด่าเราเราไปตีเขาเดี๋ยวเขาก็กลับมาฆ่าเราแต่ถ้าเราเฉยไปให้อภัยไปเรื่องมันก็จบ ใจเราก็เย็นสบายไม่มีเวงมีกรรมกันนี่คือลักษณะของการมีเมตตาเราคิดว่าเป็นเพื่อนกันเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายพวกเราทุกคนนี่อยู่ในกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายซึ่งมันมากพอแล้วไม่จาเป็นที่จะต้องเพิ่มความทุกข์ให้กับเขาให้เพิ่มขึ้นไปอีกแล้วก็เพิ่มความทุกข์ให้กับเขาเท่ากับเพิ่มความทุกข์ให้กับเราด้วย กฎแห่งกรรมมันบอกนั้นให้สิ่งใดกับเขาสิ่งนั้นก็จะกลับมาหาเราให้ทุกข์กับเขาทุกข์ก็จะกลับมาหาเราให้สุขกับเขาสุขก็จะกลับมาหาเราเพรั้นพระพุทธเจ้ า, จาบอกให้สุขกับเขาดีกว่าถ้าเรามีความเมตตาเราต้องให้ความสุขกับเขาถ้าความสุขที่เราให้เขาคือการให้อภัยก็ให้เขาไปเขาจะได้ไม่ต้องมาหวาดกลัวว่าเราจะมาจองเวรจองกรรมกับเขา นี่คือลักษณะของการมีความเมตตาคือหนึ่งต้องต้องให้อภัยกันเวลาที่เขาทำอะไรที่ทำให้เราเสียหายเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ด้วยกันเหมือนดิ้นกับฟันเรื่องอาจจะเป็นเรื่องวิบากกรรมชาติก่อนเราเคยมีปัญหาอะไรกันมาเราอาจจะเคยไปทําเขาก่อน เขาก็เลยอยากจะกลับมาทำเราเขาคิดว่าเขาเป็นเจ้ากรรมนเวลเราก็แล้วกันถ้าเราอยากจะให้เจ้ากรรมนเวลเรา mm. เขาเขาไม่มายุ่งกับเราเราก็ให้อภัยเขาไป อ, อันนี้คือข้อแรกสัพเพสัตตาเวลาโหนตุข้อที่สองของการมีเมตตาก็คือให้เราอภัยยาปชะโหนตุ แต่ว่าไม่เบียดเบียนกันไม่เบียดเบียนก็คือไม่ไปทำให้เขาเดือดร้อนด้วยการกระทำของเราทำอะไรอยาให้พูดก็ เ, เดือดร้อนเสียหายเราต้องคิดว่าเขาเป็นเพื่อนเรานะเพื่อนเราเราก็อยากจะให้เขาสุขให้เขาสบายไม่ไปทำให้เขาทุกข์ให้เขาวุ่นวายต่างๆให้เขาเสียหายเดือดร้อน ข้อสามก็คืออนีคาโหตุแปลว่าอย่าไปทำให้เขาทุกข์กายหรือทุกข์ใจยอย่าไปทำร้ายร่างกายเขาอย่าไปทำร้ายจิตใจเขาด้วยการพูดด้วยการกระทาของเราเวลาจะพูดอะไรจะทำอะไรให้คิดถึงผลที่จะกระทบกับเขาก่อนว่าจะทำให้เขาเดือดร้อนทให้เขาเจ็บทางร่างกายหรือเปล่าทำให้เขาเจ็บใจหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไปทำให้เขาทุกข์แล้วเขาจ เขาจะกลับมาร้างแค้นเหล่า น, นั้นเองถ้าเราไม่ไมทําให้เขาทุกข์เขาก็จะไม่มาทําให้เราทุกข์ข้อที่สี่ก็คือสุขีอตานังปริหารันตุทําให้เขาสุขดีกว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขรักษาตนก็คือเราต้องให้ความสุขกับเขานะถ้าเราให้ความสุขกับเขาเขาก็จะมีความสุขรักษาตนวิธีให้ความสุขก็อย่างปีใหม่เราส่งสอ้กสอก็ซ้อกันยะังไง เราก็สอก็คือส่งความสุขนอกจากสก็สอเราก็มีของติดให้ไปด้วยของขวัญขนมเค้กกระเช้าอะไรต่างๆแล้วแต่ที่เราคิดว่าคนที่รับอยากจะได้เราก็สรรหาสิ่งที่เขารักเขาชอบให้กับเขาไปนี่ก็คือวิธีการให้ความสุขแก่ผู้ถ้าเราให้ความสุขกับเขาเราก็มีความสุขสุขที่เห็นเขามีความสุข น, นี่คือ บนลักษณะของการแผ่เมตตาการแผ่เมตตานี้ต้องแผ่ด้วยการกระทำอย่างที่ได้บอกไว้ไม่ได้แผ่ด้วยการสวดบทแผ่เมตตาอย่างที่เราเข้าใจกันการสวดบทแผ่เมตตาในความจริงคือการสอนการศึกษาวิธีแผ่เมตตาว่าแผ่อย่างไร ถ้าเราไม่ได้สวดไม่ไม่ได้ศึกษาการแผ่เมตตาเราก็จะไม่รู้ว่าการที่เราจะมีเมตตาต่อผู้อื่นนี่เราต้องไม่จองเวรไม่เบียดเบียนไม่ทำให้เขาทุกข์กายทุกใจให้เขามีความสุขทำให้เขามีความสุขนี่นี่คือบทสวดบทแผ่เมตตาญาติโยมส่วนใหญ่ที่เข้าวัดมักจะคิดว่าการแผ่เมตตาก็คือการสวดบทแผ่เมตตาแต่ตอนนั้นไม่ได้แผ่เพราะไม่มีใครรับ เป็นการฝึกเป็นการฝึกจิตมากกว่าเป็นการเจริญสติเจริญสมาธิมากกว่าถ้าเราสวดบัวบแผนไม่ตาไปได้เป็นเวลายาวนานสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนี้จิตของเราก็จะสงบได้จิตของเราก็จะมีความสงบมีความสุขได้การสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นบทใดนี่เป็นการฝึกสติกฝึกสมาธิตังนั้นเอง หรือถ้าเราเข้าใจความหมายก็ได้ปัญญาได้ความรู้ด้วยเพราะคำสอนของพระเจ้านี้เป็นความรู้ที่จะสอนให้เรารู้จักวิธีดับทุกข์ด้วยวิธีการต่างๆนั่นเองดังนั้นขอให้เราเข้าใจเวลาเราสวดบทแผ่เมตตาหลังจากที่เราไหว้พระสวดมนต์เสร็จหรือนั่งสมาธิเสร็จแล้วเราสวดบทแผ่เมตตานี่เราไม่ได้แผ่เมตตาให้กับใครใถ้าจะแผ่ก็แผ่ให้กับเรานั่นแหละเพราะทาให้เรามีความสุข จากการที่เรามีสติมีสมาธิทำใจของเราให้สงบในการแผ่เมตตาที่แท้จริงต้องแผ่ตอนที่เราพบปะกันเช่นตอนนี้เวลาเราพบปะกันเราก็มองคนนั้นมองคนนี้เป็นไม่เป็นยิ้มแย้มแจ่สาสทักทายกันไม่น่าบึง้งตึงไม่แย่เคี่ยวใส่กันเหมือนเวลาขับรถบนท้องถนนนี้ไม่ค่อยมีความเมตตาต่างคนตามก็ฮึมก็ฮึมภายในใจ ด่ากันไปไปภายในใจขับรถอย่างนั้นขับรถอย่างนี้บาดหน้าปาด้าปาดหลังขับช้างขับเร็วอันนั้นนหละไม่ได้แถ่เมตตาถ้าแผ่เมตตก็เออเอาเลยตามสบายพี่จะไปยังไงก็ไปแล้วแต่ขอให้ปลอดภัยก็แล้วกันนะอย่าไปชนกันอย่าไปพลิกคว่ำใจเย็นๆอะไรทำงนองนี้นั่นขอให้เราเข้าใจเพราะส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจกัน ที่ว่าได้ส่วนบทแผ่เมตตาแล้วถือว่าได้เจริญเมตตาบารมีแล้วไม่ได้เจริญการเจริญเมตตาบารมีต้องเจริญในขณะที่เราพบปะกับคนวิสัตว์เจอสุนัขจรจัดก็สงสารมันก็มีอาหารอะไรก็เอามาให้มันกินถ้าหาที่อยู่อาศัยให้มันได้ก็าหาที่อยู่อาศัยให้มันไปถ้ามันไม่สบายก็พาไปหาหมอนักษาตัวเห็นเห็นเขาจาวปาไปฆ่า ก็ไปถ่ายชีวิตเขาถ่ายชีวิตวัวควายอะไรทำนองนี้อันนี้แหละเป็นการแผ่เมตตาเพราะเขาจะได้ไม่เจ็บทางร่างกายเขาจะได้ไม่สูญเสียชีวิตถ้าเราสร้างบา ร, รมีอันนี้ได้แล้วบา ร, รมีอย่างอื่นจะจะสร้างได้ง่ายบา ร, รมีที่จะตามมาถึงแม้จะยากกว่า การแผ่เมตตาแต่ถ้าเราแผ่เมตตาเราไม่มีความเมตตาเราจะสร้างบา ร, รมีข้อต่อไปไม่ได้ข้อต่อไปก็คือทานบา ร, รมีนั่นเองการเสียสละแบ่งปันถ้าเราไม่มีความเมตตาเราเห็นหมาจรจัดเราก็ไม่สงสาร ม, มันช่างหัวมันเรื่องของมันแต่ถ้าเรามีความเมตตาเราก็มีความสงสารอยากจะช่วยมันเราก็ต้องเสียสละเงินทองซื้ออะไรให้มันกิน หรือพามันไปหาหมออะไรอย่างนี้ก็เป็นการทำทานเราก็จะทำทานได้ง่ายคนที่มีคนที่มีความเมตตานี้มักจะมีความยินดีที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นยินดีที่จะทำให้คนอื่นมีความสุข น, นั่นเองก็เป็นการแผ่เมตตาด้วยการกระทำทานเราก็จะมีทานบารมีขึ้นมาเราก็จะ แทนที่ยายเงินไปซื้อของที่เป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจคือซื้อของที่ไม่จำเป็นซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของหรูหราซื้อของแพงๆนี่มันไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับจิตใจเรือแม้แต่ร่างกายมันก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรมันทำประโยชน์ได้เท่ากันเสื้อตัวละร้อยกับเสื้อตัวละหมื่นมันก็เสื้อเหมือนกันมันก็ใส่ไว้ใส่ร่างกายเพื่อปกปิดอวัยวะได้เหมือนกันป้องกันภัยจาก ความหนาวได้เหมือนกันว่วงกาแรแมลงสัด ก, กัดต่อยได้เหมือนกันทำไมต้องไปเสียเงินเป็นหนื่งเป็นแสนเพื่อที่จะซื้อเสื้อผ้ามาใส่ซื้อเสื้อผ้าธรรมดาชุดละห้าร้อยพันหนึ่งมันก็ใส่ได้ทำหน้าที่ของมันได้ถ้าคนมีความเมตตาจะคิดแบบนี้จะคิดว่าเอาเงินที่เราซื้อของหรูหรานี้ไปช่วยคนที่เขาขาดแคนหรือกับคนที่เขาอดอยากขาดแคน ให้เขาได้มีอะไรกินบ้างให้เขามีเสื้อผ้าใส่บ้างมีที่อยู่อาศัยมีอะไรต่างๆเราก็จะเป็นคนใจบุญสุนทานทำทานได้ถ้าเรามีความเมตตาเพราะเราอยากจะให้ความสุขแก่ผู้อื่นเมื่อเรามีความเมตตาแล้วเราก็จะรักษาศีลนะทาทานได้เราก็จะรักษาศีลได้เพราะศีลก็คือการไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นน เวลาเราทำบุญเราทำทานที่เราอยากจะช่วยเหลือคนอยากจะให้เขามีความสุขงั้นเราจะทำเราก็เวลาเราจะไปทำอะไให้คนเดือดร้อนเสียหายเราก็จะไม่ทำเราก็จะไม่อยากจะฆ่าสัตว์ไม่อยากจะเอาทรัพย์ของผู้อื่นไม่อยากไปเพ้พืชผิดประเวณีไปผิดสามีผิดภรรยาของผู้อื่นเราอันนี้ก็จะทำให้เรารักษาศีลได้สร้างศีลบารามี เบื้องต้นล้วถ้าเรามีเมตตาบาลมีเราก็จะ ท, ทะั่งทานบาลมีได้สร้างทานบาลมีได้เราก็จะสร้างศีลบาลมีได้คือศีลห้าแล้วถ้าเรารักษาศีลห้าได้แล้วถ้าเราอยากจะรักษาศีลแปก็ไม่ยากเย็นต่อไปศีลแปดก็คือเนคข ม, มะบารามีเนคข ม, มะแปลว่าการละเว้นด้วยการการยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายการออกจากกามสุข แต่ว่าเนคขมมะการที่เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เราต้องหยุดการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพ้าเพราะรูปเสียงกลิ่นรสผุนี้มันเป็นของไม่แน่นอนบางทีก็ให้ความสุขกับเราบางทีก็ไม่ได้ให้ความสุขกับเราบางทีกลับให้ความทุกข์กับเราดังนั้นถ้าเราไปเสพเราจะต้องไม่ช้าก็เร็วจะต้องทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสอย่างแน่นอน เพราะมันเป็นเหมือนกับยาเสพติดเสพแล้วก็ติดเคยดูอะไรก็อยากจะดูไปเรื่อยๆเวลาที่วันไหนไม่ได้ดูก็รู้สึกหงุดหงิดลำคารใจขึ้นมา응เวลาดื่มเคยดื่มอะไรพอไม่ได้ดื่มเคยดื่มกาแฟพอวันไหนไม่ได้ดื่มกาแฟก็รู้สึกหงุดหงิดเคยดูละครวันไหนไม่ได้ดูละครก็รู้สึกหงุดหงิดขึ้นมารู้สึกไม่สบายใจขึ้นมา งั้อย่าไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เพราะต่อไปตาหูจมูกนิ้นกายเราก็จะชำรุดทรุดโมต่อไปจะดูอะไรไม่เห็นจะฟังอะไรไม่ค่อยได้ยินร่างกายจะแก่ลงไปเรื่อยๆจะไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากรูปเสียงกิ่นรสได้ซูเปลี่ยนวิธีหาความสุขม า, มาหาความสุขจากการทําใจให้สงบดีกว่า ทำใจให้เป็นสมาธิทำใจให้เป็นอุเบกขาการที่เราจะมาทำใจให้สงบทำให้ใจให้เป็นอุเบกขาสร้างอุเบกขาบารเมีขึ้นมาก็ต้องมีเนค้อมมะบารเมฆเป็นผู้สนับสนุนถ้าเรายังอยากเที่ยวอยากกินอยากดื่มอยากฟังองนู่เราก็จะไม่มีเวลามาฝึกสมาธินั่นเองเพราะการฝึกสมาธินี่ต้องใช้เวลามาก ไม่ใช่คิดว่านั่งปั๊บห้านาทีสิบนาทีจิตจะสงบนี่มันไม่ไม่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นก่อนที่จะมานั่งได้นี้ต้องฝึกสติอยู่ทั้งวันเลยต้องคอยควบคุมความคิดควบคุมจิตไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆไม่ให้จิตไปอดีตไม่ให้ไปอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันให้ดูให้อยู่กับร่างกายให้คฝ้ดูอิริยาบถต่างๆการเคลื่อนไหวต่างๆการกระทำเต่าง ๆ, างๆของร่างกาย เพื่อห้ามไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนี้หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องใช้คำบริกรรมเช่นคำบริกรรมพุทธโธพุทธโธไหว้คอยป้องกันเพื่อห้ามไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะถ้าเราไม่สามารถหยุดความคิดได้เวลานั่งสมาธินี้ใจจะคิดอยู่เรื่อยๆนั่งไปกี่ชั่วโมงก็ไม่มีวันที่จะสงบได้แต่ถ้าเราห้ามใจไม่ให้คิดได้เวลานั่งสมาธิเดี๋ยวใจก็จะนิ่ง จะสงบแล้วจะเข้าสู่ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะชนิตต่างๆให้เรามาฝึกเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันดีกว่าอย่าไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรดเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเครื่องมือที่เราใช้ก็เป็นของไม่เที่ยงคือตาหูจมูกนิ้นกายของพวกเรานี้ยก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่แน่นอน มันดีก็ดีอาจจะตาบอดขึ้นมาก็ได้หูหนวกขึ้นมาก็ได้เนื้อร่างกายอาจจะที่ก่อนที่การเป็นอามภพึกอามภะขึ้นมาก็ได้ตอนนั้นเราจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพัฒน์ได้ยากแต่ถ้าเรารู้จักวิธีหาความสุขจากความสงบจากจากอุเบกขาใจสงบที่เป็นอุเบกขาเนี่ยจะมีความสุขมากเราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกาย ไม่ต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสผดพระชนิดต่างๆเวลาร่างกายเปน็นอมตะกรรมภาพเราก็เข้าสมาธิได้หลับตาพุทโธพุทโธเดี๋ยวเดียวแล้วดูลมหายใจแป๊บเดียวพอหยุดความคิดได้พอจิตนิ่งสงบปับ๊บความสุขก็เกิดขึ้นมาทันทีความอยากที่จะไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ไปนู่นมานี่ก็ไม่ไม่เกิดอยู่บ้านเฉยๆสบายไม่ต้องไม่ต้องไปไหนมาไหนก็ได้ เพราะความสุขที่เราได้จากการทำใจให้สงบนี้มันวิเศษกว่าความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆจากการดื่มจากการรับประทานอะไรต่างๆจากการดูจากการฟังอะไรต่างๆนี้สู้ความสุขที่เกิดจากความสงบไม่ได้การที่การเจริญอุบเบกขาเนี่ยบารมีก็คือการเจริญความสงบของใจนี้เองทำใจให้เป็นอุบเบกขา พอใจเป็นอุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงจะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายกับสิ่งต่างๆที่มากระทบกับจิตใจจะรู้สึกเฉยๆไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆไม่ทุกข์กับคํานินทาสรรเสริญไม่ทุกข์กับการเป็นการตายของคนนั้นคนนี้การจะเป็นขยตายมันก็เรื่องของเขาการจะชมขยดาก็ปากของเขา แต่ใจของเราไม่เดือดร้อนถ้าเรามีอุเบกขาเพียงแต่ว่าอุเบกขานี้มันอยู่ไม่ได้ตลอดเวลาเป็นเหมือนกับน้ําเย็นที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นเวล า, เอาออกจากตู้เย็นเดี๋ยวมันก็หายเย็นเวลาจิตเราอยู่ในสมาธินี้จิตเราก็จะเย็นมีอุเบกขาใจเย็นใจสบายใจเฉยแต่พ อ, อจากสมาธิมาใหม่ๆก็เฉยก็เย็นอยู่ แล้วต่อไปสักระยะหนึ่งพอไปสัมผัสกับรูปเสียงกิ่นรสอะไรต่างๆเข้ามาเดี๋ยวก็เริ่มร้อนขึ้นมา ท, ทันทีถ้าต้องการให้มันเย็นใหม่ก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ถ้าไม่กลับเข้าไปในสมาธิแล้วอยากจะให้มันเย็นเหมือนเดิมก็ต้องเจริญปัญญาบารมีปัญญาบาลมียนี้จะเป็นตัวที่จะทำให้อุบเบกขา ที่เราได้จากสมาธินี้มันเย็นต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องกลับเข้าไปในสมาธิด้วยการพิจารณาสิ่งต่างๆเช่นรูปเสียงกลิ่นรสว่ามันเป็นของไม่เที่ยมมันมีเกิดมีดับมีการเปลี่ยนแปลงจากดีไปเป็นไม่ดีจากเสียงชมกลายเป็นเสียงด่าก็มีจากการมีเงินมีทองกลายเป็นคนสิ้นเนื้อปรดาตัวก็มีมันเกิดขึ้นได้จากการมียศมีตำแหน่งกลายเป็นคนสามัญธรรมดาก็มี มันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกโลกธรรมแปดมีลาวก็ต้องเสื่อมลากเป็นธรรมดามียศก็ <clears S 2> <c famous. S 1> ต้องเ hey สื่อมยศเป็นธรรมดามีสรรเสริญก็ต้องมีนินทามีสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผุดผลก็ต้องมีทุกข์จากรูปเสียงกลิ่นรสผุดผลเวลาที่รูปเสียงกลิ่นรสผุดผลที่เรารักเราชอบจากเราไปเช่นเวลาเราสูญเสียคนที่เรารักไปเวลาเราอยู่กับคนที่เรารักเราก็มีความสุข แต่เราก็ไม่สามารถที่จะให้เขาอยู่กับเราไปได้ตลอดวันใดวันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไปถ้าเขาไม่จากเราไปเราก็ต้องจากเขาไปอหรือไม่เช่นนั้นก็จากไปพร้อมๆกันมันก็ต้องมีการพัดากจากกันพอมีการพัากจากกันมันก็มีความทุกข์ตามมาดังนั้นเราต้องใช้ปัญญาสอนใจว่านี่แหละคือสิ่งต่างๆที่เราใช้ให้ความสุขกับเรา มันเป็นของไม่แน่นอนมันเป็นของชั่วคราวเหมือนงานเลี้ยงที่ต้องมีวันสิ้นสุดลงไม่มีใครจัางานเลี้ยงไปให้มันตลอดไปทุกวันได้หรองานเลี้ยงก็ต้องมีวันสิ้นสุดลงความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสพดผ ภ, ภาความสุขจากบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆก็ต้องมีวันสิ้นสุดลงเวลามันสิ้นสุดลงมันก็จะทาให้เรารู้สึกเหงาว้าเวมีความทุกข์บางทีก็ อยากจะข่าตัวตายกันอยากจะตายตามคนที่เรารักไปคนที่เขารักตายไปเราไม่รู้จะอยู่ไปก็ไม่มีความสุขสามีภรรยาที่รักกันมากๆนี่เวลาคนใดคนหนึ่งตายไปตอนที่อายุมากแล้วเนี่ยสามีหรือภรรยาคนที่อยู่นี้มักจะอยู่ไม่นานเพราะเาไม่มีกำลังจิต ก, กำลังใจที่อยากจะอยู่ต่อไปอยู่ไปก็ไม่มีความสุขไม่มีคู่ครองของเขา เดี๋ยวก็ตายต่างันไปเพราะไม่มีกระจิตกระใจที่จะดูแลร่างกายรักษาร่างกายปล่อยปะละเลยอยู่กับความเศร้าอยู่กับความโศกอยู่กับความเสียใจหรือบางคนก็ถึงกับข้าตัวตายก็มีนี่แหละคือโทษของการที่เราไปเสบรูปเสียงกฤฤิริยลดผลธรรมะพระเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาว่ามันเป็นทุกข์มันไม่เป็นสุข อย่าไปเสกมันเวลาออกจากสมาธิมาเพราะอยากจะไปเสกรูปเสียงกลิ่นรสก็ใช้ปัญญาสอนใจว่ามันจะพาเราไปสู่ความทุกข์เนะืความสุขที่ได้มันเดียวเดียวสุขตอนที่เราได้เสกมันแต่มันจะทำให้เราติดแล้วเราต้องคอยเสกมันอยู่เรื่อยๆและเวลาที่เราไม่สามารถจะเสกมันได้มันจะทำให้เราทุกข์พอเราเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่กล้าเสก ความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันก็หายไปพอมันหายไปอุเบกขาก็จะกลับมาเหมือนตอนที่อยู่ในสมาธิใจเราก็มีความสุขกับอุเบกขาดีกว่าอยู่กับความนิ่งเฉยของใจด้านในความนิ่งเฉยอันนี้จะเป็นความนิ่งเฉยที่ถาวรจะไม่มีอะไรมาทำลายต่อไปอันนี้แหละที่เรียกวันนิพพานคือใจที่อยู่ในความสงบตลอดเวลา24ชั่วโมง ไม่มีอะไรเจ้าสามารถมาทาใหคา้ความสุขความสงบนี้หมดไปได้เพราะมีปัญญาคอยคุ้มครองเวลามีข้าศึกศัตรูของความสงบคือความอยากต่างๆมันก็จะใช้ปัญญาเข้ามาพิจารณาหยุดมันได้นี่คือปัญญาบารมีเป็นบาลมีขั้นสุดท้ายตั้งแต่เริ่มต้นจากเมตตาบารมี พอมีเมตตาบารมีก็สร้างทานบารมีได้ง่ายถ้าสร้างทานบารมีได้ก็จะสร้างศีลบารมีได้สร้างศีลบารมีได้ก็สร้างเนตขขมมะบารมีต่อได้จากศีลห้าก็ไปถึงศีนแปเช่นวันธรรมดาก็รักษาศีลห้าไปพอวันพระก็มาลองถือศีนแดดูก็เพียงแต่อดข้าวเย็น น, นั่นเองไม่นอนกับแฟนสักคืนไม่ตายหรอกใช่ไหศีนข้อสาก็ไม่นอนกับแฟ น, นเท่านั้นเอง เปลี่ยนจากการนอนหลับกับแฟนซึ่งเป็นของศีลห้ามาเป็นการไม่ร่วมหลับนอนกับใคร mm hmm. ก็ไม่ยากเย็นอะไรแล้วก็แล้วก็ไม่กินไ ม, ไม่ไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้ว mm hmm. ก็อย่างมากก็หิวนิดหน่อยช่วงเย็นๆเท่านั้นเองแต่เราจะแก้ความหิวได้ด้วยการมาฝึกสติมานั่งสมาธิพอเวลาจิตเราสงบจิตเราเนื่งแล้วความหิวจะหายไป เราความรู้ส่วนใหญ่มันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายกวา ม, มีความร่างกายนี้มันแทบจะไม่มีเลยเพราะเรากินมามากพอแล้วอาหารที่มีอยู่ในร่างกายเหล่านี้มันมันสะสมไวมากพอที่จะอดได้หลายวันไม่ตายไม่เดือดร้อนดีเสีอีกใช่ไหมบางคนอดข้าวได้นี่ได้หุ่นได้หุนได้อะไรกลับมาแต่ไม่มีกำลังทท่านี้ไม่มีกำลังที่จะอดกัน ต้องไปอาศัยยาอะไรต่างๆกินกันเพื่อให้มันอดแต่ความจริงวิธีวิธีลดน้ําหนักที่ดีที่สุดก็คือการไม่กินนั่นแหละการไม่กินการมาถือศีลแปดกันนแล้วรับประกันได้ว่าน้ําหนักจะลดจะได้ได้ได้หุ่นที่ดีกลับมาแทนที่จะได้ตุ่มจะได้ขวดกลับมาอันนี้ก็ไม่ยากเย็ยนถ้าเรารักษาศีลห้าได้แล้วจะเพิ่มอีกสามข้อนี้ไม่ยากเลย แล้วก็งดดูหนังดูละครสักวันหนึ่งทั้งนี้งดเที่ยวงดไปข้างนอกงดไปตามสถานบันเทิงต่างๆ ง, งดแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์แต่งหน้าทาปากทำเเผาทำผมอะไรต่างๆเอาเวลาเหล่านี้มาทําใจให้สงบดีกว่าเราจะได้ความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากการแต่งเนื้อแต่งตัวไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆและเวลานอนก็นอนให้น้อยนอนบนพื้นแข็ ง, ขง อย่าไปนอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆเพราะมันสบายพอสบายแล้วมันจะนอนมากแต่ถ้ามันไม่สบายนี่มันจะนอนไม่มากพอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วมันตื่นขึ้นมาก็ถ้ามันแข็งมันนอนไม่สบายก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิดีกว่าแต่ถ้านอนบนฟูกหนาๆ น, า น, านี่นิ่มๆนี่พอตื่นขึ้นมาแล้วยังไม่อยากจะลุกอยากจะขอนอนต่อก็นอนต่อไปอีกหลายชั่วโมง ทำให้เสียเวลาอันมีค่าที่เราจะมาสร้างบุญบารมีกันอันนี้คือเรื่องของเนคัมมะบารมีที่จะสนับสนุนการสร้างอุบเบกขาบารมีคือการนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบนั่นเองเราต้องมีเวลาเจริญสติคอยควบคุมความคิดจุดความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วพอเราครวบคุมได้ เวลามานั่งสมาธิใจก็จะนื่งสงบได้ง่ายได้เร็วนั่งดูลมเดี๋ยวเดียวหรือพุทโธเดี๋ยวเดียวห้านาทีสิบนาทีใจก็เข้าสมาธิได้เข้าสู่ฌานเข้าสู่อเบกคาได้พอเข้าถึงตรง น, นั้นแล้วก็มีความสุขความความทุกข์ที่เกิดจากความการปฏิบัติก็หายไปหมดเลยคุ้มค่าคุ้มเหนื่อยนการที่ต้องอดข้าวอดอดข้าวอดดูหนังอดฟังเพลงมานี้ พอได้พบกับความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิแล้วมันหายเหนื่อยหมดเลยคุ้มค่าความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการอดอะไรต่างๆนี่มันจะหายไปหมดเลยแล้วทีนี้มันจะเห็นคุณค่าของการเจริญนคข ม, มะบารมีเห็นคุณค่าของการเจริญอุเบกขาบารมีแล้วพอมันเห็นว่าอุเบกขาบารมีที่ได้จากการเจริญ สตินี pues ้มันเป็นของชั่วคราวออกจากสมาธิมามันค่อยๆจางหมดไปก็อยากจะให้มันอยู่นานๆก็ใช้ปัญญาเพราะการสิ่งที่จะมาทำลายอุเบกขาให้หมดไปเวลาจากสมาธิก็คือความอยากต่างๆนั่นเองอยากดูอยากฟังอยากริมลอดดมกลิ่นจิตก็ต้องปรุงแต่งพอปรุงแต่งความสงบนิ่งของใจก็ค่อยๆหายไปความเย็นความสบายก็ค่อยๆหายไป เราต้องใช้ปัญญามาสกัดเวลาเกิดความอยากที่จะเสบ ร, รูปเสียงกิ่นลดอยากไปนู่นมานี่อยากไปทํานูน่ทนทํานี่ก็พิจารณาว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขแบบยาเสพติดแล้วมันจะติดเวลาไม่ได้ไปทําแล้วมันจะทุกข์ต่อไปมันจะทําไม่ได้เพราะร่างกายมันต้องแก่ลงร่างกายมันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยกันทุกคนเราต้องคิดถึงวันนั้นบ้างวันที่เราไม่สามารถที่จะทําอะไรอย่างที่เราทําได้ในปัจจุบันนี้ ถ้าเราเพิ่งร่างกายไม่ได้เราก็หาความสุขไม่ได้แต่ถ้าเราหยุดความอยากเหล่านี้ได้เราก็อยู่เฉยๆอย่างมีความสุขได้พอเราตัดความอยากได้อุเบกขาที่เราได้จากสมาธิมันก็กลับกลับขึ้นมาทันทีแล้วก็จะอยู่ไปอย่างถาวรจะหายไปก็ต่อเมื่อถูกความอยากต่างๆขึ้นมาเท่านั้นเองแต่ถ้ามีความอยากชนิดไหนขึ้นมาเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาหยุดมันได้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ความอยากต้องการมันเป็นไตรักษ์ทั้งนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นอันนี้คือการปฏิบัติขั้นปัญญาขั้นสุดท้ายของการสร้างบา ร, รมีแต่การจะสร้างบา ร, รมีทั้งหนี้ได้เราต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่เราต้องใช้ก็คืออธิษฐานบา ร, รมีความตั้งใจวิริยะบารมีความขยันที่จะปฏิบัติ สิ่งที่เราต้องปฏิบัติแล้วก็สัจจะบารามีก่อนต้องมีความแน่วแน่ต่อความตั้งใจเราตั้งใจจะไปนิพพานเราตั้งการตั้งใจจะสร้างบารามีเราก็ต้องมีความแน่วแน่แนคือสัจจะไม่ล้มเหลวพอตั้งแล้วต้องทําไม่ใช่เปลี่ยนใจสใหญ่แล้มักจะตั้งเป้าหมายกันดีปีใหม่จะทําทอย่างนู้นทํานี้พอเลยปีใหม่ไปไม่กี่วันหายไปหมดเลยความตั้งใจ่เรียกว่าไม่มีสัจจะ มีความตั้งใจแต่ไม่มีสัจจะอยากจะเริ่มต้นปีใหม่ชีวิตใหม่ให้มันดีขึ้นเพราะะฉนนั้ต่อไปนี้เราจะทําบุญมากขึ้นเราจะรักษาศีลมากขึ้นตั้งไปอย่างนั้นเองพอถึงเวลาเข้าจริงๆไม่ทําำใช่ไหมไม่มีสัจจะต้องมีสัจจะตั้งอะไรไว้แล้วต้องทําตามที่เราตั้งต้องมีสัจจะแล้วก็ต้องมีความเพียรต้องขยันทําในสิ่งที่เราตั้งไว้ถ้าทําแบบขี้เกียจทําที่ะนิดเดียหน่อยมันก็ได้ไม่มาก ต้องทำมา ก, มากๆเียกว่าขยันมีวิริยะบารลีทำมากเท่าไหร่มันจะได้เสร็จเร็วๆงานจะได้เสร็จเร็วๆทำช้าทำน้อยๆมันเสร็จเสร็จช้าบางทีไม่ทันการมัอาจจะตายไปก่อนก็ได้ดังน้นเราต้องคิดถึงความตายบ้างนเว่าเราไม่ได้อยู่มันไปตลอดแล้วจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ไม่ใช่ว่าจะต้องตายตอนแก่ตอนเจ็บเท่านั้นตอนไม่แก่ไม่เจ็บก็ตายได้บางคนหลับไปไม่ตื่นขึ้นมาก็มีบางคนเดินไป หัวใจล้มเหลวก็มีบางคนก็เป็นลมไปความดันสูงมันจะตายได้หลายวิธีด้วยกันหลายเวลาหลายสถานที่เดินไปอาจจะเดินรถชนตายก็ได้ไม่มีใครรู้จะตายเมื่อไหร่ฉนั้นต้องมีความเพียรต้องมีความขยนันรี บ, ร, บรีบทำเสียทำให้มันเสร็จเร็วๆแล้วเราจะได้สบายอย่าขี้เกียจถ้าเราตั้งสัจจะแล้วเราจะทำอะไรแล้วต้องทาให้เต็มที่ แล้วถ้ามันลำบากยากเย็นก็ต้องมีขันติความอดทนนี่คือเครื่องมือในการสร้างบา ร, รมีหกต้องมีอธิษฐานเราต้องตั้งเป้าหมายของของเราว่าเราจะไปทางไหนอธิษฐานคือการตั้งเป้าหมายว่าเราต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์และการที่เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เราต้องสร้างบารมีเราต้องสร้างเมตตาบารมีสร้าง ทานบาลมีศีลบาลมีเนคข ม, มะบาลมีอุเบกขาบารมีปัญญาบาลมีเาฉนัน้นชีวิตของเรานี้เวลาที่เรามาอยู่ตั้งแต่บันนี้ไปเราจะเอามาทุ่มเทกับการสร้างบารมีเหล่านี้นี่คือการอธิษฐานคือการตั้งเป้าอธิษฐานในศาสนานี้ไม่ได้ขอไม่ได้ขอให้ได้ไปนิพพานเพราะขอขอไม่ได้ต้องต้องต้องไปเองต้องไปด้วยการซื้อตัว๋ว มันจะขึ้นรถจะไปไหนมาไหนต้องไปตีตัว๋วขึ้นรถจะไปขอคนขับว่าพี่ขอขอไปด้วยคนได้มไหมเขาบอกคูณมีตัว๋วเขาไม่มีตั๋วเขาก็ไม่ให้ไปต้องตีตัว๋วตั๋วที่จะพาเราไปที่พานก็บารมีนี่แหละมีตาบารมีไปถึงปัญญาบารมีอันเราต้องตั้งเป้าต่อไปนี่จะตีตัว๋วจะสร้างบารมีต่างๆให้เกิดขึ้นมาให้ได้เมื่อเราสร้างแล้วเราก็ต้องมีสัจจะ สัจจกาธิีฐานนี้มันมักจะไปคู่กันมันถึงจะสําเร็จสัจจะอธิษฐานเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งสัจจะอธิฐานตอนที่ตั้งอยู่ใต้โคนต้นโพลเราจะนั่งตรงนี้จะภาวนาจะปฏิบัติตอนนี้จนกว่าความทุกข์จะหมดไปถ้าตราบใดยังมีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจนี้จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้ไปเปน็นอันขาดแม้เลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปก็จะไม่ลุกไม่ขยับ แจะขยับก็ต่อเมื่อหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วนี่คืออธิษฐานของพระพุทธเจ้าจึงทําให้ท่านได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อธิษฐานของพวกเราก็อาจจะเริ่มมาต่อไปนี้จะสร้างจะสร้างเมตตาบารมีจะไม่โกรธเคืองใครจะให้อภัยใครเขาทําอะไรให้เราโกรธแค้นทําให้เราเดือดร้อนเสียหายก็ก็ถือว่าเป็นการใช้นี่ไปใช้ชดใช้กรรมเก่าไป เราอาจจะเคยไปทําอะไรเขามาก่อนแต่เราจะไม่จองเวรจองกรรมขเขา<ม>เราจะไม่เบียดเบียดเขาทําอะไรจะไม่ให้เขาเสียหายเดือดร้อยจะไม่ไปทําร้ายร่างกายและจิตใจของเขาจะให้ความสุขกับเขาอ<ม>ถ้ามีโอกาสให้ความสุขกับเขาได้ก็จะให้ความสุขกับเขาไป<ม>นี่คืออธิษฐานเราต้องตั้งเป้าถ้าไม่ตั้งเป้าพอถึงเวลามันจะไม่ทําพอใครเขามาทําให้เราโกรธปั๊บก็หึมขึ้นมาใน ใ, นใจเลยออ จะโกรธขึ้นมาทันทีจะร้างแข็งขึ้นมาทันทีแต่พอเราตั้งเป้าแล้วเราบอกเฮ้ย hey, ทาไม่ได้นะเราจะไม่โกรธเขาแล้วเราจะให้อาภัยเขาเราจะไม่จองเวรจองกรรมมันก็จะเป็นการทดสอบดู ว, ว่าเราสามารถทําที่เราตั้งใจได้หรือเปล่าถ้าเราทําได้ก็แสดงว่าเรามีสัจจะแสดงว่าเราเริ่มมีเมตต า, าบารมีแล้วสามารถทําในสิ่งที่เราที่พระเจ้าทรงสอนให้เราทํามันได้ดังนั้น เราต้องตั้งเป้าของชีวิตเราว่าต่อไปนี้เราจะไปทิศทางไหน <S <S <S คนส่วนใหญ่จะไปทางอื่นกันเพราะไม่ได้ศึกษาแต่ว่าทางอันวิเศษนี่คือทางของพระพุทธเจ้สาส่วนใหญ่จะตั้งเป้าหมายว่าจะไปเป็นหมอกันจะไปเป็นนายกันไปเป็นปรธานาธิบดีกันไปเป็นรัฐมนตรีไปเป็นสอสอกันไปคิดไปในทางโลกคือจะมักจะตั้งเป้าไปสู่ทางลาบยศสรเสริญสุขกัน โดยที่ไม่รู้ว่ากําลังตั้งเป้าไปสู่กองทุกข์กันเป็นนายกก็ทุกข์นะเป็นหมหาเศรษฐีก็ทุกข์เป็นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นมีอย่างเดียวที่ไม่ทุกข์ก็คือเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระอราหารันต์เทนั้นดังนั้นเราควรจะตั้งเป้าของพวกเราว่าถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ขอให้เราไปเป็นพระอราหันต์กันอธิษฐานว่าชาตินี้ขอให้เราได้ไปเป็นพระอราหันต์กันและววิธีที่จะไปเป็นพระอราหันต์ได้ก็ต้องสร้างบา ร, รมีต่างๆเหล่านี้ สร้างเมตตาบาลีสร้างทานบามีสร้างศีลบามีสร้างเมตขมมะบาลีสร้างอุเบกขาบามีสร้างปัญญาบาลีด้วยการปฏิบัติด้วยความอดทนปฏิบัติคือวิริยะขยันปฏิบัติมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็เอามาปฏิบัติทันทีไม่ไปทำกิจอย่างอื่นไม่ไปเที่ยวไม่ไปดูหนังฟังเพลงไม่ไปเล่นไม่ไปหาเงินหาทองโดยไม่จำเป็น หาถ้าจําเป็นต้องหาเงินก็หาเท่าที่จําเป็นพอมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอเอาเวลาที่เหลือนี้มาสร้างบารมีสร้างนิพพานกันสร้างการหลุดพ้นจากความทุกข์ดีกว่าเพราะถ้าเราไม่ทํางานให้มันเสร็จในชาตินี้ชาติหน้าเรากลับมาอาจจะไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าหรือเจอตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่จะมาสอนพวกเราให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เราก็จะติดอยู่กับกองทุกข์ต่อไปอีกเป็นเวลาอันยาวนาน จนกว่าเราจะได้พบกับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปหรือพบตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมหรือพระอริยสงฆ์ที่จะเคาะที่จะสอนให้เรารู้จักวิธีให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ตอนนี้เราเรามีโอกาสทองได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมีโอกาสที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรแล้วอยู่ที่เราเท่านั้นว่า เราจะทําหรือไม่ทําทั้งเองการกระทํานี้ก็อย่าไปคิดว่าเราทําไม่ได้เพราะว่าคนที่หลุดพ้นได้เนี่หลุดพ้นได้ทุกเพศทุกวัยสมัยพระพุทธกาลนี่มีคนหลุดพ้นจากความทุกข์เป็นพระอรหันต์กันได้นี้เยอะแยะเป็นนักบวชก็มีเป็นคาราวาทุกขคลองเรือนก็มีเป็นหญิงก็มีเป็นชายก็มีเป็นเด็กก็มี เป็นผู้ใหญ่ก็มีคนแก่ก็มีคนหนุ่มก็มีคนสาวก็มีเป็นได้ทุกเพศทุกวัยคนรวยก็มีคนจนก็มีคนเป็นเป็นพระราชามหาษัตย์มาบวชก็มีคนขอทานมาบวชก็มีมาปฏิบัติธรรมเพราะว่าจิตใจของพวกเราทุกคนนี้มีศักยภาพเหมือนกันเหมือนมีที่ดินแปลงหนึ่งเหมือนกันจะสร้างคอนโดสิบชั้นยี่สิบชั้นก็สร้างได้ทุกคนที่ดินแปลงไหนก็สร้างได้ ใจของเราเป็นที่ดินเปล่าที่เราจะต้องการมาสร้างตึกสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้กับเราอยู่ที่ว่าเราจะมีความศรัทธาในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่เชื่อ ใ, ในเรื่องของการสร้างบุญบารมีต่างๆเหล่านี้หรือไม่ถ้าเราเชื่อมั่นว่าเป็นการที่เป็นการกระทาที่ดีที่สุดสาหรับเราเพราะไม่มีอะไรจะดีกว่าการหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะว่า จะไปเป็นอะไรมันก็ต้องทุกข์ทั้งนั้นจะเป็นเศรษฐีก็ต้องทุกข์กับเงินทองเป็นนายกก็ทำทุกข์กับบ้านเมืองมีเป็นอะไรมันก็แต่มีเรื่องแต่ความทุกข์มีเรื่องเดียวที่มีมีทางเดียวที่ไม่ทุกข์ก็คือการไปเป็นพระอรหันต์ไปเป็นพระพุทธเจ้าอะไรองนจะไม่ทุกข์กับอะไรต่อไปใจจะหลุดพ้นเพราะใจตัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้ดังนั้นอย่าอย่าไป อย่าไปดูถูกตัวเองอย่าไปคิดว่าเราเป็นคารวาสเราไปไม่ได้เราเป็นผู้หญิงบวชไม่ได้เราไม่ต้องบวชบวชทางกายลรวบวชทางใจบวชแท้ต้องบวชที่ใจพวกที่มาบวชทางกายไปไม่ถึงงานเยอะแยะเพราะไม่ได้มาบวชทางใจด้วยมาบวชแต่ร่างกายแต่ใจไปทำอะไรไรู้ไปเป็นหมอดูก็มีไปเป็นคนอาบน้ำให้คนอื่นก็มีไคนไปทาพิธีกรรมเสนอข้ออะไรต่างๆก็มี ถ้าไปทําเรื่องราวเหล่านี้มันก็ไปไม่ได้อยู่ดีเราะไม่ได้ทําตามที่พระเจ้าส่งสอนพระเจ้าส่งสอนให้ศึกษาให้ปฏิบัติการสร้างบา ร, รมีต่างๆแล้วนํำมาไปปฏิบัติเพื่อให้จิตใจดุจต้นเพียงแต่การบวชทางกายนี้มันไม่ได้เป็นตัวที่จะชี้ว่าไปได้หรือไม่ได้ต้องบวชทางใจแล้วใจของพวกเราทุกคนนี้เหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายใจนี้คือตัวผู้รู้ผู้คิด มันมีแค่นีใใ้ใจของเราทุกคนเป็นผู้รู้ผู sí ้คิดถ้าเราคิดไปในทางที่ดีมันก็พาเราไปสู่ทางที่ดีเราคิดไปในทางที่ไม่ดีมันก็พาเราไปสู่ในทางที่ไม่ดีเท่านั้นเองตอนนี้เรามีผู้นำทางผู้สอนให้เราคิดไปในทางที่ดีให้เราคิดสร้างบารมีต่างๆดงนั้นขอให้เรามาตั้งอธิษฐานกันว่าต่อไปนี้จะเอาเวลาของเราที่ว่างอยู่เนียที่ไม่ต้องจับเป็นจะต้องเอาไปใช้กับการ ทำงานหาเงินหาทองเลี้ยงปากเลี้ยงทองนี้เอาเวลามาสร้างบา ร, รมีต่างๆดีกว่ามาสร้างเมตตาบา ร, รมีมาสร้างทานบา ร, รมีมาทำบุญทำทานเมตตาก็ให้เรามีความเมตตากับทุกคนอย่าไปถือว่าเป็นศัตรตูกันถือว่าเป็นมิตรกันถ้าเป็นมิตรแล้วก็อยากจะให้เขามีความสุขจะไม่อยากเบียดเบียนเขาจะไม่อยากไปทำร้ายเขาแล้วเราก็จะทาทานได้ง่าย แล้วเราก็จะรักษาศีลได้ง่ายเพราะเราไม่ต้องการเบียดเบียนผู้แล้วเราก็จะไปเจริญเนคข ม, มะไปบวชบวชทางใจได้ด้วยการถือศีลแปยถือศีลแปดนี่ก็ถือเป็นนักบวชแล้วไม่จำเป็นจะต้องโกนหัวนุ่งขาวห่มขาวการบวชอยูบวชที่ใจบวช ด, ด้วยเนคข ม, มะมารณีถือศีลแปดนี่ก็ถือว่าเป็นนักบวชแล้วแล้วก็เอาเวลาไปปฏิบัตินั่งสมาธิเจริญสติ แล้วพอได้อุเบกขาก็มาเจริญปัญญามารักษาอุเบกขาให้เป็นอุเบกขาที่ถาวรใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ตลอดเวลาใจก็จะกลายเป็นผ้าอาหารหันต์ขึ้นมากลายเป็นนิพพานขึ้นมานี่คือเรื่องของคำสอนของพุทธเจ้าทุกๆคำสอนสอนเพื่อให้เราหลุดพ้นทั้งนั้นเพียงแต่ว่าวิธีการสอนต่ อ, ตอบุคคล น, นี้อาจจะแตกต่างกัน เพราะขึ้นอยู่กับสถานที่เวลาและผู้ฟังด้วยว่าจะเหมากับทำแบบไหนชนิดใดแต่ก็เป็นธรรมันเดียวกันธรรมที่จะพาให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์เช่นเดียวกันก็คิดว่าวันนี้พอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้พอรอนยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนเตสาคารังเอวามวาอิโตทินางเปตานังอุ ป, ปกาปติ เอขิตังปะที่ต um ัตุมังเขปเมวะสนิจจตุสัพเพปเรนโตสังกป a จันโทปนะระโสยธามะนิโชติระโสยธาสัพพิต so ิโยวิวัจจัน so โุสัพพะโรโวินัสสัตวมาเตภวตวันตาวโยสุขีทิขายุโกภว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 ถามเองก็เข้ามาที่นี่แล้วมีไมโครโฟนให้พูดถ้าไม่อยากจะเข้ามาเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือจะถ้ามีมือถือก็พิมพ์ข้อความส่งเข้ามาทางเพจก็ได้แล้วแต่สะดวกสะดวกแบบไหนก็เอาแบบนั้นวันนี้มีผู้ติดตามชมเท่าไหร่ ทาง f a c e b o o ห้าร้อยสา b สิบพระสุชาติไลฟ์สามร้อยเจ็ดอกเตอร์วีร้อยหกสิบสามวิทยุออนไลน์เจ็ดคลับเฮาส์สิบเอดหน้ากุฏิร้อยเจ็ดสิบสี่รวมหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองค่ะโอเคถ้ามีคำถามอะไรก็ถามได้เลยค่ะคำถามฝากถามจากหน้ากุฏิค่ะขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่ามีคนไร้สาระที่ทำงาน มาทําความไร้สาระเดือดร้อนใจให้เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของผมแต่ไม่เกี่ยวข้องกับงานกรบผมไม่อยากเกี่ยวข้องด้วยเนื่องจากความไร้สาระของเขาครับผมต้องทําตัวอย่างไรครับเราก็ต้องรู้จักแยกแยะระหว่างสิ่งที่มีสาระกับสิ่งที่ไม่มีสาระทางก็พูดในสิ่งที่มีสาระที่เรื่องงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานเราก็ต้องเราก็ต้องฟัง แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไร้สาละเราก็ถ้ามีโอกาสแยกตัวไปได้ก็แยกตัวไปขอตัวไปทำย่างไงไปที่อื่นก็อยู่ด้วยกันก็ต้องอย่างนี้แหละถ้าถ้าไม่อยากจะทุกก็ต้องไปอยู่คนเดียวถ้าอยู่ในโลกนี้ก็ต้องรู้จักทำใจคำถามจากคุณมินทางเฟซบุ๊กค่อนข้างยาวนะคะขออนุญาตย่อนะคะ เวลเกิดเหตุการอะไรขึ้นตรงหน้าหนูจกพิจารณาให้มันลงอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อให้เข้าใจตถะตาแต่เดี๋ยวนี้เลิกคาดหวังให้คนคิดดีพูดดีทำดีค่อยๆลดลงไม่ค่อยยินดียิน้ายแล้วค่ะเมตตาได้หมดอย่างม้าจรจัดหนูก็เมตตาเห็นใครเดือดร้อนก็อยากช่วยทำบุญทำทานภาวนาสม่าเสมอ แต่ทำไมแค่เรื่องตุ๊กแกยังทำใจให้เมตตาให้เข้าใจตาะะตาหรือพิจารณาให้ลงไตลักษไม่ได้สถีไม่ทราบคะก็เขาก็เหมือนสุนัขเหมือนแมวเขาก็เป็นสัตว์ที่มีอวัยวะเหมือนกันมีตาหูจมูกเลี้ยกายมีอวัยวะ3าสเหมือนกันเพียงแต่มีรูปนั่งลักษณะที่ต่างไปไปเท่นั้นเองก็ต้องพยายามสอนใจไปเรื่อยๆด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ เวลาที่เรามีความลังเกลียดเขาก็ใช้พุโทโธพุธโทโธมารับความลังเกตนะดแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเข้าใจว่าเหมือนกันสัตว์ทุกชนิดความจริงก็มาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันร่นางกายของเราก็มาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟถ้าเรามองเข้าไปข้างในของสัตว์ของบุคของมนุษย์ก็เหมือนกันข้างในก็มีแต่ตับไตไส้พุงเหมือนกันมีหัวใจมีปอดอะไรต้องมองมองในส่วนที่ เหมือนกันถ้าเราไปมองส่วนต่างมันก็เกิดความรักความช่างขึ้นมาแต่ถ้ามองในส่วนที่เหมือนกันมันก็จะมันก็ค่อยๆจะน้อมเข้ามารับว่าเหมือนกันหมดร่างกายมาจากดินน้ำลงไฟเหมือนกันข้างในอวัยวะก็คล้ายๆกันแค่นั้นเองดูแล้วก็เพียงแต่ข้างนอกมันอาจจะมีลักษณะไม่เหมือนกันคนก็เหมือนกันคนสูงคนอ้วนคนเรียคนผอมคนอะไร คนสวยคนไม่สวยคนหลอ่อไม่หลอ่องันก็มันก็เหมือนกันมันก็เป็นคนเหมือนกันมาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกันแล้วเดี๋ยวก็ตายไปก็เป็นซากศพเหมือนกันมองให้มองต้องมองให้รอบครอบสอนสอนสอนใจไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามถ้ายังมีอาการนังเกียดอยู่ก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปหยุดอาการเหล่า น, นั้นด้วยสติได้แล้วก็ใช้ปัญญา มาาาช่่่ววยยยกจััดให้นไไปปอองตคําคถามสัจจุนทิฏิการในการปฏิบัติหาที่นั่งพิงหลังที่พนักของบ้านได้ไหมเจ้าคะระยะในการนั่งสมาธิภายในนานกว่าระยะเวลาทํากิจกรรมภายนอกร่างกายเจ้าคะ่ะถ้านั่งสมาธิเอาเวลามาจับทําให้หนูแพ้กิเลสหมเจ้าคะนั่งสมาธิแล้วเอาเวลามาทำไง นะคะระยะในการนั่งสมาธิภายในนานกว่าระยะเวลาทำกิจกรรมภายนอกร่างกายเจ้าคะ่ะถ้านั่งสมาธิเอาเวลามาจับทำให้หนูแพ้กิเลสใหม่เจ้าคะที่ยึดติดเวลาถ้าเราไม่มีความจำเป็นจะต้องตั้งเวลาก็ไม่ไม่ควรใช้เวลาความจริงการนั่งนี้จะได้ผลไม่ได้ผลอยู่ที่สติไม่ได้อยู่ที่เวลางั้นเราควรจะตั้งสติรือกับไปตั้งเวลา นอกจากว่าเรามีเวลาจํากัดเช่นเราต้องไปทํางานเวลานั้นเวลานี้ถ้าเราไม่ตั้งเวลาไว้เดี๋ยวมันถึงเวลมมันจะไปไม่ทันทํางานอะไรก็ต้องตั้งไว้ง mm hmm. ั้นการภาวนานี้มันก็ถ้ามีเรื่องเวลามาคอยเป็นเป็นกรอบมันก็จะทําให้ไปไม่สะดวกงั้นนะักภาวนานจริงๆจึ ง, จงมักจะหา หาช่วงที่ไม่มีเวลาเรื่องไปทำอย่างอื่นจะได้ปฏิบัติไปอย่างต่อเนื่องไม่ต้องมากัวงวลเกี่ยวกับเรื่องเวลาแต่แม้แมแต่พระก็มีเวลาแต่ก็รู้จักบริหารจัดการเวลาปัดกวาดก็ต้องไปปัดกวาดเวลาบินทบาทก็ไปบินทบาทงั้นเราก็จะหาช่วงเวลาที่มันไม่มีไม่มีเวลาที่มากำหนดเราจะได้ปฏิบัติได้มากขึ้นช่วงนี้มีเวลากาหนดเราก็ กติบัติแบบเดินสติไปก็ได้เดินจนงกรมไปสวนมนไปเรื่องอะไรไปหรือถ้าอยากจะนั่งสมาธิก็ตั้งเวลาไปก็ได้ให้มันปลุกแต่เราต้องรู้ว่ามันมีเวลาจำกัดคำถามจากคุณวันดีดิฉันได้เรียนหลักสูตรสมาธิออนไลน์และฝึกนั่งสมาธิมาหลายเดือนแล้วปัจจุบันนั่งได้นานรั้งรัประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่จิตยังไม่รวม เพราะขณะที่บริกรรมพุโทโธแต่ยังสามารถคิดได้ตลอดเวลาจะทำอย่างไรดีเจ้าคะก็ต้องทำก่อนที่มานั่งด้วยบริกรรมพุโทโธไปทั้งวันเพื่อคอยควบคุมความคินหยุ่ความคิดให้มันน้อยลงไปพอเวลามานั่งมันจะได้ไม่มีความคิดเข้ามาแทรกมากต้องทำสติอยู่เรื่อยๆไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาเรานั่งทั้งนั้น คำถามจากคุณพันธิตลูกลูกของลูกให้เงินเดือนลูกเอาเงินเดือนที่ได้มาไปทำบุญลูกลูกของลูกได้บุญด้วยไหมคะเดี๋ยวพูดให่ฟังแล้วกันเลลูกลกให้เงินเดือนลูกเอาเงินเดือนที่ได้มาจากลูกไปทำบุญลูกจะได้บุญด้วยไหมคะเขาได้เลยต่ยเขาใหเราแล้วอ่ะตอนที่เขาให้เรานี้เขาทาบุญอยู่แล้วเขาเขาทาบุญกับแม่ผู้มีอูปการะคุณก็เป็นการทาบุญอย่างนี้ เราเงินที่เราได้นี้เรจะไปทําบุญทํำบาปก็ได้ทําบุญก็ไปทำไปซื้อยาเสพติดก็ได้แล้วแต่เราแต่ลูกเขาจะไม่มีส่วนนั้นจากการกระทำของเราเพราะเขาได้บุญของเขาแล้วมันก็เดียวกันนี่มันมั น, ปนไปตอบบุญได้หลายต่อนะเช่นลูกให้แม่แม่ไปทําบุญให้พระพระไปแจกคนยากจนแล้ก็ได้บุญคนยากจนก็อาไปใส่บาตรกับพ้าอีก อ่ามันก็ได้บุญทั้งนั้นอนะ่ะตาบ่ายที่เราไม่เอาเงินนะนะั้นอ่ะเราเสียสละลงไปงั้นตอนนั้นมันก็เหมือนกับเป็นเวียนเทนได้เลยตาจริาจริ ง, รงคำถามจากคุณเอกชยัยการปฏิบัติศีลแปดข้อที่ไม่ร่วมหลับนอนกับคู่ครองคือหมายถึงการไม่นอนห้องเดียวกันกับคู่ครองใช่ไหมครับ และการไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันคือนัดตั้งแต่เวลาสิบสานาฬิกาเป็นต้นไปใช่ไหมครับหมายถึงเที่ยงวันสิบสองนาฬิกาเ <c oughs> ที่ยงวันคือสิบสองนาฬิกาแต่ถ้าเราอยู่ในยุคปัจจุบันนี้เราต้องพักกินข้าวตอนเที่ยงวันก็อนุนโลมผ่อนผันไปได้ชั่วโมงมันด้วยความจําเป็นไม่ได้ด้วยความอยากอะไรต่างส่วนร่วมหยับนอนก็ ก็อย่าอยู่ใกล้กันนะเหมือนกับน้ํามันกับไฟเนี่ยเขาไม่เก็บไว้ที่เดียวกันไฟเขาก็เก็บไว้ที่หนึ่งน้ํามันก็เก็บไว้ที่หนึ่งเพราะถ้ามันอยู่ใกล้กันเดี๋ยวมันเกิดประทุขึ้นมาง่ายงั้นถ้าเราถือศีลแปดเรามักจะแยกกันอยู่คนละห้องอะไรอย่างนี้แล้วต้องใส่กุญแจให้ดีเใส่ก่อนคําถามสกุณศิลาลัตมีสิ่งใดที่จะช่วยบอกทางไปสู่สุขติ แกผู้ป่วยติดเตียงและมีสัมปชัญญะไม่มากคือหลงเนื่องจากสังเกตว่าผู้ป่วยอยู่ในภาวะห่วงความคิดของตนเองและไม่ได้ฟังธรรมะที่เปิดให้ฟังก็ไปเหมือนสอนนักมวยที่ถูงนับแปดแล้วสอนได้ไหมล่ะส๊อลุกขึ้นมาสู้เขาสิโอ้ยคุณถูงนับแปดเราไปไม่ไหวแล้วสายไปใช่ล้วจะสอนนักมวยต้องสอนตอนก่อนขึ้นเวทีสอนคนก็ต้องสอนก่อนที่เขาจะทุกข์ อย่างตอนนี้เราไม่ทุกข์ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเรายังมีกำลังวังชามีอะไรพร้อมอยู่สอนตอนนี้เราจะได้เอาเวลาไปฝึกซ้อมไม่ใช่มาสอนตอนที่ขึ้นเวทีโดนก็ชกนับแปดแล้วค่อยมาสอนไม่ทันการแล้วละ่ะป่อยก็อยู่ไปตามสภาพเขาเถิดไม่ต้องไปรบกวนเา้านอกจากเขาถามอะไรก็บอกเขาไปถ้าก็ไม่ถามอะไรก็ไม่ต้องไปยื่นเขาดีก่เพราะถ้าเขาไม่ ไม่ไม่สนใจ่ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเขาจะมาสนใจตอนนี้ได้ยังไงคำถามจากคุณทอยน้องสาวเป็นโรคซึมเศร้าไม่ยอมไปหาหมอแล้วชอบร้องไห้อยากจบชีวิตตัวเองหนูจะช่วยอย่างไรได้บ้างคะตอนนี้ทั้งพ่อและแม่ทุกมากอยากให้น้องอาการดีขึ้นคะ่ะแต่ไม่ว่าจะขออย่างไรน้องก็ไม่ยอมไปหาหมอคะ่ะเราจะวางใจรอไม่ให้ทุกอย่างไรดีคะ ก็คิดว่าเป็นเรื่องสุดวิสัยก็แล้วกันสุดความสามารถของเราที่เราจะทำอยไรได้เราก็ทําอย่างเต็มที่แล้วก็วทําได้ท่านี้จากคุณแนนซีวันนี้หนูนั่งสมาธิจนปวดขาแต่สามารถอยู่กับความปวดได้โดยที่ใจไม่กลัวความเจ็บแต่จิตก็ยังไม่รวมแบบนี้ยังมีสติสมาธิไม่เพียงพอใช่ไหมเจ้าคะก็อยู่ในขั้นใกล้แล้วละก็ทําต่อไป ถ้านั่งทนกัความเจ็บได้ก็พยายามบริกรรมพุทโธพุทโธอย่าให้จิตเราไปคิดถึงความเจ็บแลแต่เดี๋ยวจิตพอมันปล่อยมันสงบแล้วมันก็จะเย็นจะสบายความเจ็บจะอยู่จะหายก็ไม่เดือดร้อนก็ใกล้แล้วพยายามทําต่อไป อ, อย่านั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยๆมันจะไม่รวมตอนนั้นต้องพยายามใช้พุทโธพุทโธพุทโธแล้วมันจะรวมเรวม็ว ถ้านั่งเฉยๆดูเฉยๆมันจะไม่รวมจากคุณทัศนีฝึกมาได้ระยะหนึ่งระดับหนึ่งแต่ยังทุกเวลาที่เกิดเวทนาทางกายอยู่ต้องเพิ่มส่วนใดเจ้าคะเพิ่มสตินี่เวลาเกิดความทุกข์ทางกายก็พุทโธพุทโธพุทโ ธ, ทธอย่าอย่าปล่อยให้จิตไปคิดถึงความปวดอย่าไปอยากให้มันหายยิ่งอยากให้มันหายมันยิ่งทุกข์ยิ่งทรมานใหญ่ต้องอย่าให้มันมีโอกาสไปคิด ไปอยากให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วเดี๋ยวความอยากมันหยุดไปใจก็จะนิ่งความทุกข์ทรมารก็จะหายไปแล้วจะทำให้รู้สึกว่าความเจ็บของร่างกายมันไม่ใช่เรื่องไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลยอยู่กับมันได้ที่อยู่กับมันไม่ได้เพราะเราไม่ต้องการจะอยู่กับมันได้ดังนั้นต้องหยุดความอยากไม่อยู่กับมันให้ได้ถ้าอยากได้แล้วมันจะเฉยมันจะไม่เดือดร้อนความเจ็บขนาดั้นก็อยู่กัอยู่ด้วยกันได้ เห็นห้ธีดีก็บริกรรมแล้วสวดนอนไปก็ได้พุทโธธรมโมสังโกทุกขังสะนังกระชามิธรรมังสะนังกระชามิสัามังสะนังกระชามิสวดไปเรื่อยๆหลายรอบจนกว่าจิตมันจะปล่อยปล่อยแล้วมันก็หยุดได้มันก็จะเบาจะเย็นจะสบาลจากคุณอุตสาหเวลาภาวนาพุทโธรัวรัวรัวเร็วเหมือนหัวลงมามันตึงแล้วทําอย่างไรต่อคะ ก็ช้าหน่อยก็ได้นจนไม่จำเป็นจะต้องเร็วเสมอไปขึ้นอยู่กับเวลาขึ้นอยู่กับสถานการณ์ถ้าจะเป็นต้องเร็วก็เร็วถ้าไม่จำเป็นต้องเร็วก็ช้าได้บางทีมันเร็วกันไปมันก็เกิดผลเสียก็ได้ก็ทำให้มันช้าลงหน่อยอันนี้ต้องสังเกต ด, ดูต้องปรับต้องปรับเหมือนขับรถ่ะบางช่วงก็เร็วได้บางช่วงก็ต้องช้า ก็อยู่กับถนนหนทางว่ารถมากรถน้อยรถลดดื่นถนนลื่นไม่ลื่นการขับก็ต้องใช้สติปัญญาการภาวนาก็ต้องใช้สติปัญญาด้วยไม่ใช่ทําแบบทําแบบไม่คิดไม่อ่านอะไรต้องสังเกตว่าทําแบบไหนแล้วได้ผลดีทําแบบไหนไม่ได้ผลดีต้องมีการปรับบ้างให้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ซึ่งสถานการณ์แต่ละครั้งอาจจะไม่เหมือนกัน จากคุณทิตา น, นันการถือศีลแปดถือวิรัติถ้าไม่ได้รับกับพระเกิดมีเหตุทำให้ศีลแปดด่างพร้อยเช่นหิวมากเป็นโรคกระเพาะต้องกินข้าวเย็นก็จะทำให้ขาดไปทุกข้อถ้ารับกับพระจะขาดไปแค่หนึ่งข้อเท่านั้นหรือเปล่าคะไม่หรอกขาดข้อไหนก็ขาดข้อนั้นะ่ะมันไม่ได้อยู่ที่พระไม่ได้อยู่ที่ไปขอศีลจากพระหรือไม่การถือศีลนีอยู่ที่ที่การตั้งใจของเราเป็นหลัก ตั้งใจว่าวันนี้จะถือศีลแปดก็เริ่มนะก็่มเราก็รักษาไปรักษาข้อไหนได้ก็ก็ไม่ขาดข้อไหนรักษาไม่ได้ข้อนั้นก็ขาดไปเท่านั้นเองไม่ได้ขาดไปทุกข้อก็เราไม่ได้ไปทำผิดข้อหรือมันจะไปขาดได้ไงเราทำผิดเฉพาะข้อนี้ข้อเดียวมันเราขับรถไปขับรถ ด, ด้วยความเร็วถูกจับก็ผิดกฎหมายทุกข้อเปล่าใชของง่ายๆของมันมันมันม น, ม น, ม น, น่าจะ มีตักกะมีปัญญาคิดนะผิดข้อนี้เราไปผิดบุตมันผิดได้ยังไงไม่รู้ผิดได้ยังไงอันนี้คือการการศึกษาการอะไรนี้ต้องใช้ใช้ปัญญาด้วยต้องพิจารณาด้วยพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าเชื่อไปอย่างเดียวของบางอย่างนี้เราต้องเอามาวิเคราะห์เอามาพิสูจน์ดูก่อน ว่าเป็นอย่างไรจริงเท็จอย่างไรแล้วค่อยมามาเชื่อแล้วไม่เชื่ออีกทีหนึงแต่ฟังได้ใครก็พูดอะไรก็ฟังได้แต่ถ้าเราฟังแล้วมันทำแม่งท่าแม่ ง, มงเราก็เอามาวิเคราะห์ดูหรือแม่งก็ไปหาแหล่งข้อมูลที่อื่นดูตรวจสอบดูเป็นกว่าจะได้ข้อสรุนที่ชัดเจนหมดแล้วหลายคาถามมีใครอยากจะถามไหม ไม่มีนะไม่มีก็จะได้ปล่อยให้กลับบ้านได้ะนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตรเจรณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ